กราบนมรสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมขอเป็นตัวแทนกล่าวลาไตรามาศแทนคณะอุบาสกอุบาสิกา ที่ได้อยู่ร่วมกันมาจนครบใไตามาดนี้นะเจ้าคะ่ะกราบหลวงพ่อด้วยเคารพศรัทธามัน่นล่วงเลยผ่านนานแสนนานไม่ถดถอยหลวงพ่อท่านจริยวัดงามต้องตามรอยไม่ท้อถอยกี่ชาติหนอขอแทนคุณพรรษานี้ ปี58มีป่วยไขย้อาการไอไม่หายประปลายกุนเกิดปวดฟันรวดร้าวทวีคูณงานเทศวุ้นงานสร้างสะระปะทะกันช่วงกลางเดือนกันยาอาพาดอีกสุจรจลีกสังขารมานสังขารขัน ในลำคอเสมหะก็พันกันรุมเราท่านหลายวันสิทธ์สั่นครอนยี่สิบเจ็ดกัญญาอาการหนักแพทย์สั่งพักสามวันหยุดเทศสอนกเกษมราชใกล้สุดสุดกําหนดนอนหนึ่งวันข้อ กลับอารามในยามเย็นแม้จะป่วยอย่างไรจะไม่พักท่านก็จกออกตรวจงานวิวแชร์เข็นหลวงพ่อขาเมื่อถึงคราวยามจำเป็นสิทธิเรียนเน้นอุเบกขาบารมีไตรามาสนี้ในอารามธรรมรส เปรียบโอสถรักษาจิตงามผ่องสีเนคขมมะประทีพธรรมฉ่ำหรือดีสามเดือนนี้ร้องสุขหนอขอปลดปรงไตรามาสหน้าไม่มอรณามาพบกันญาติธรรมทุกทุกท่านอย่าลืมหลงพัรษานี้ แม้ต้องจากฝากทุกคนมอบกุศลอริยทรัพย์ประทับใจขอรายงานร้านกะถินสุดฟินนักมีร้านหลักอุบาสิกาสามร้านใหญ่ร้านอื่นๆก็มากันอีกมากมายลานทำใหญ่เตรียมโต๊ะได้เต็มอัตรา คณะอุบาสกอุบาสิกาหยุดหาเงินไม่มีขาดมีแต่เกินพร้อมคุยว่าสิทธิไม่ขอแอนตาสินให้เมตตากองทุนธรรมกระนำมาสามหมื่นเองขอกราบลาหลวงพ่อก่อนท่านสุดท้ายแม้อะไรก็ต้องกรับ ไม่ทำเก่งไตรามาสนี้มีหลายอย่างที่เพ่งเลงหลวงพ่อเก่งเอาอยู่สิทธิ์รู้ดีด้วยอำนาจพระไตรรัตน์อันสูงสุดประทานความวิมุตติสูญโยสีแด่พระราชธรทำนิเทศเมตตามีเจโตชี เชิญท่านขั้นนิพพานขอเรียนเชิญทุกท่านกราบหลวงพ่อพร้อมๆกันนะเจ้าคะอัญเชิญวันธาอาภิวาทอัญชลีวันธาอาภิวาทอัญชลีวันธ า, อ า, อนนธาขอเชิญสดับพระธรรมด้วยความเคารพนะเจ้าคะ่ะ พร้อมจะฟังหรื อ, อยังเมาาื่อเช้านี้พูดเรื่องวันนี้น้อยไปพูดเรื่องวันปวารณาและวันออกปรรษาไม่ตำบูดเพราะมอไปพูดเรื่องคว า, ามคิดช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มากไปหรือคว า, ามคิดแปลกๆที่จะทำให้มูลนิธิเข้มแข็ง ต่นี้ก็ต่อไปในวันนี้ช่วงนี้ก็ควรจะเป็นของเรื่องคำว่าปวารณาก่อนทำไมถึงได้สั่งให้วันสิบห้าคำออกพรรษาเนี่ยเป็นวันปวารณาก็หมายความว่าท่านต้องการที่จะให้คนเราเนี่ยเตือนกันได้แล้วก็ต้องคอยเตือนกันไว้ยัางกันและกันให้ออกจากความชั่วร้ายไว้ มันยะมันยปัจโยช่วยกันยังกันและกันให้ออกจากความชั่วร้ายจากความไม่ถูกไม่ดีไม่งามถ้าฝ่ายเตือนก็ต้องเตือนแบบมีสุภาพมีคุณธรรมพูดง่ายๆว่าขอโอกาสเตือ น, ข อ, ออนขอโอกาสเตือนตรงนี้หน่อยนะถ้ามีมารยาทก็ควรจะขอโอกาสสักนิดถึงแม้ว่าเขาจะปาวรณาว่าให้เราเตือนแต่เราก็ควรจะเตือนอย่างเป็นคน มีมารยาทไม่เจะเตือนแบบผีพรามผุนผันไปถึงก็ว่าทักท้วงก็รุนแรงอาจจะภาวนาและปากแปร ก, ก็ได้เนาะ เ, ออเพราะนั้นอันดับแปกคนจะเตือนก็ต้องคนที่ภาวณาและต้องขุบปากอย่าเถียงในเมื่อตัวเองบอกเขาแล้วว่าเตือนได้อันนี้เป็นเรื่องที่มันกดดันกิเลสอย่างแรงทั้งคู่ ถ้าคนเตือนไม่มีคุณธรรมก็ไปเตือนแบบมีเรื่องมีราวถ้าคนถูกเตือนไม่มีคุณธรรมก็จะยิ่งมากเรื่องเบืองเวลาที่จะจัดการกันเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดก็คือลดอัตราลดอีโก้ลดความอาหังการยะโสถ้าฝ่ายจะเตือนเนี่ยขอโทษขอโอกาสอแน่นอนเขาก็ไม่ยะโสเตือนแบบโอหังไม่ใช่เขาให้โอกาสก็ได้ทีขี่มาไล่อะไรที่เขาว่า ก็ต้องค่อยมีระบบแบบแผนขั้นตอนขอโอกาสขอเรุญาแล้วก็ยังต้องดูเวลาด้วยไม่ใช่ไปเตือนต่อหน้าคนเยอะๆดีกก็ยุ่งไหมคนอยู่บ้านเลยแกนี่มันทำนี่ไม่ถูกนะโอ้โหพวกเสียหน้าหมดไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้มันต้องดูมาาาัญญาศตรกาลเทศะแม่พูดถึงกาลเทศะแต่มานี่เบื่อเด็กมันไงไม่รู้มันนึกจะมาฟ้องอะไรเร า, าก็มากาลังเทศกนลังกาลังไทยมีนามวัน ก็มาสัมบาติเนี่ยมันวิ่งเข้ามาบลง่อหว่ไอ้นั่นมันไปขโมยไอ้นั้นอะไรลูกเอ้ยเดี๋ยวให้จบก่อนก็ได้เนี่ยขนาดมันจะมาฟ้องมันยังไม่ดูเวลาแต่ถ้าเตือนไม่ดูเวลาการละเทศะก็ยิ่งมีเรื่องกันแน่ๆนั้นหลักการเตือนก็ต้องมีขั้นตอนส่วนผู้ถูกเตือนแม่นอนต้องแสดงออก ถามมาแลว่าเขาตะสมมุติว่าไอ้ฝ่ายเตือนนี่มันพลาดมันเตือนต่อหน้าคนเราเป็นฝ่ายปภาวณาไว้แล้วก็ต้องปิดไม่ปิดปากเทียงถ้าเราไม่ปิดปากเทียงน่ะบรรยากาศมันก็พอใช้ได้ไหมแต่พอเรารู้ว่าไอ้นี่นเตือนไม่ถูกกาลเทศะเราก็พุ่นผันขึ้นมา เ, เสียทั้งคู่ไอ้คนเตือนไม่ถูกกาลเทศะไอ้คนถูกเตือนก็ห ก็พอกันเลยถ้าขึ้นพิ่พับเพิ่มพับขึ้นมาตกลงว่าอยากของขึ้นจะเตือนก็ต้องดูกาละเทศะถูกเตือนในเวลาที่ต่อหน้าคนเยอะๆก็ยิ่งไม่ควรถ้าใจดีครับผมพยายามฉันจะจะพยายามไม่พลาดอีกแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ตรงการกดดันกิเลสประเภทไม่พรีพรประเภทไม่บุญพลั น, รนประเภทไม่เดือดดาน ที่มันจะมาอยู่กับเราเนี่ยเราก็วิเศษเลยแต่ถ้าเราผีพรำพรุ่นพันเดือดดานตะพึดตะพื้นไม่อยากให้ใครเตือนได้คนไม่เตือนไม่นั่นกันนะอันต ร, รายนั่นพระเจ้าจึงเห็นประโยชน์ตรงนี้จึงได้ทํำปวารณาสั่งให้พระธรทำปวารณาแล้วก็ต้องทําในโบสถ์นอกโบสถ์ไม่ได้แต่ชาวบ้านน่ะถือว่าในบ้านก็เป็นสิทธิทํากันในบ้านก็ได้ ถ้าทําได้นะ่นจาจะครั่งนะโยมที่ทําจริงอ่ใครภาวนาผู้ให้เตือนได้มั้งในเมียคนไหนผู้หญิงคนไหนที่ผัวภาวนามีไหมใครมีสามีที่มันภาวนาแกรเนาะถ้าพี่บิดพลาดอะไรนะตั้งแต่ออกพรรษาเนี่ช่วยเตือนได้เลยอย่างนี้นะวิเศษเลยแต่ไม่ค่อยทํากันอีกอย่างหนึ่งมันไม่ติดคํากลบหมดคือวัน นี่ไงคนไทยที่ว่าเข้าใจศาสนาแค่ 17% เจ็ดเปอร์เซ็นเพราะอะไรไปเอาวันออกพรรษาเป็นหน้าซะวันเปรวนาเลยไม่เคยพูดกันเลยมีใครพูดไหมนี่วันนี้เป็นวันเปรวนาด้วยนะไม่พูดพระก็ไม่เด็ดสอนเห็นจะพูดก็ออกพรรษาอกพรรษาแล้วก็กระินเอาไปนู่นหมดเลยเปรวนาข้ามเลยทั้งทั้งที่เปรวนาเป็นหัวใจตรงที่ว่ามันลดละกิเลสแล้วกันความผิดพลาด ถ้าคนเราเตือนกันได้มันผิดพลาดน้อยถ้าคนยอมให้เตือนก็ยิ่งไม่อยากจะทำอะไรผิดเพราะถูกก็เตือนก็เสียน้าเหกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์ท่านจึงถือว่าประวารณาเป็นเรื่องที่กิจกรรมเป็นศาสนาพิธีเป็นอุโบสถสุดท้ายของการเข้าพรรษาที่น่า จ, จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าชาวพุทธรู้ถ้าชาวพุทธรู้จักใช้ แล้วพระรู้จักปธิบายยอมรู้จักนําไปใช้ยังไงก็ต้องเชื่อว่ากิเลสชาวพุทธต้องลดแล้วถ้ายิ่งชาวพุทธเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทําไมบัญญัติพระวินัยพระต้องลงปรวรนาในวันเนี้ยปัออกปันษาเนี่ยบางคนเนะี่ยแทบจะไม่รู้เลยขออภัยนะไม่ได้ดูถูกนะหลังจากก็ทําวิจัยแล้วว่าชาวพุทธเข้าใจสิบ็ดเอร์เซ็นต อีกแปเปซ็ไม่เข้าใจก็ต้องบอกกันตรงๆอ่ะมัวแต่ทาบุญมัวแต่สนใจที่จะเรื่องกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวกับดับทุกข์ไม่เกี่ยวกับลดกิเลสอัตตาอหังการเนี่ยถ้าเราไปไม่มีจี้จุดนี้ไม่โฟกัสกันไปที่จุดนี้เนี่ยออกพรรษาแทบจะหาสาระไม่ได้เลยขอไปอีกคําหนักไปไหมออกพรรษาไม่ได้ออกจากความโง่เลย แรงไปไม่เยอะไม่แรงนะโง่ยังไงก็โง่อย่างนั้นพรรษานี้ก็โง่ท่านั้นพรรษาน้นก็โง่แต่พรรษาน่าจะ <c oughs> ไม่กล้าพูดพรรษากาฉันก็ไหวโง่เหมือนเดิมไม่ไหวนะเอาละสรุปว่าเราจะทําให้วันประวนาวันออกพรรษาไม่เป็นแต่เทศกาล มันต้องแก้วิกฤตการณ์คนที่มันยะโสโอหังแม่เตือนไม่ได้อะไรไม่ได้เห็นก็ว่านะย้อมดูคลิปไหมไอ้ตำรวจไปเปือนไอ้พวกขับรถไม่เคารพกฎจราจรมีผู้หญิงไ้โซด่าตำรวจโอ้โหดา่าหยาบๆคล้ายๆมึงด่าเสร็จมยังมีถามเนะี่ยมึงรู้ไหมกูรู้ใครขนาดตัวมันเองยังไม่รู้ยังไปถา ม, มอีม นี่โยบขนาดตำรวจเยเขามีหน้าที่อยู่แล้วที่เขาจะต้องตักเตือนคนทําผิดกฎจราจรแต่มันยอมไหละ่ะแล้ไม่ยอมถ้าลงมาชกด่าตำรวจก็มีเนี่ยแต่มันก็มีเรื่องมีราวกันไม่ยุจะจบจากสิน้นเพราะมันไม่มีให้ใครเตือนใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครเตือนมันก็แฉเชือนเฉชัช ย, ชยพอถูกเตือนก็มันก็ แถ บ, บไปนู่นแถบไปนี่ไม่ยอมที่จะแก้ไขปรับปรุงถ้ารับคําเตือนแล้วมาแก้ไขปรับปรุงมันก็คงลดความยุ่งยากลําบากไม่ได้ระดับหนึ่งพ่อแม่ก็ไม่อยากเตือนลูกลูกก็ไม่อยากให้พ่อแม่เตือนก็ดูครูไหนครูนั้นนี่สงสารก็สงสารแต่ไม่รู้ทําไงเตือนแล้วก็มันไม่ค่อยฟังกันแม่มันก็ไปเที่ยวกูนี่ยมสินลูกสามคน นี่ติที่ไปจากนี้มันหนีหนี้เขาพอมานที่ยวยืนพอเยุแล้วไปลูกห อ, อกไปสามคนไม่ได้มีงานทำก็ไปพากันไปอดอด อ, ดอยากๆยากลูกก็วิ่งวอนแม่กับวัดเธอแม่กับวัดเธอเ อ, เอาเอาลูกไอ้คนต่อมามาอยู่ไม่ทำงานอีกสูบบุหรี่ที่วัดพ็ไม่ไม่ทำงานเลยเดี๋ยวนี้ไม่ทำงานเล ย, ยททเลยที่ยวอา้าวพอเราบอก อยู่ที่นี่ไม่ได้ไอแม่มารับแม่ก็ไม่มาลับรับไปแล้วก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงรับไปฉันก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงอ๋อลำบากแล้วนี่แสงแถมอีนะ่ะสั่งให้ฉันเจ๊ตําเลยนะต่ำไปออนวอหลวงพอ่อให้ช่วยเลี้ยงลูกผู้หญิงสองคนตัวเล็กๆสิบสองขวบกับเจ็ดขวบไม่มีตังค์ส่งเรียงด้วยแล้วอดด้วย รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ยังไงเราก็มีมูลนธิธิส่งให้เรียนบอกขอคิดขอดูก่อนว่าถ้าลูกเป็นอย่างไอ้เจ้าพี่ชายตัวโตเนี่ยไอ้ตัวโตนี่สิบสองสิบสามหรือไงเนี่ยสิบสามหรือสิบสี่เนี่ยถ้าเป็นงี้ก็รับไม่ได้เพราะไม่รู้แม่ก็าเป็นยังไงขโมยของสกปรกมาเลี้ยงลูกลูกก็มีสันดานสกปรกติดบุรี่ตั้งแต่เล็กนี่เนะี่ยโบราณเขาว่านะ่ะเอาของสกปรกให้ลูกกินเนี่ยลูกก็ต้อง สันดานสปกปรกแม่พอเราแม่หาของสกปรกให้เรากินโชคดีเราก็มีสันดานไม่สปกปรกไม่ก็โหมกี่ลัค ก, กี้ก็บโหมอะไรเขาเนี่ยเอาละก็เตือนก็ไม่ฟังกลับไม่ค่อยอยากจะเตือนกันก็ไม่ดีมาเช้าๆบ า, างทีก็เหนื่อยต้องหยิบไม้พูดเตือนเรื่อยพูดเตือนต่อเรื่อยได้เงิน เอาคุณค่าของเงินไปใช้ทำลายคุณค่าชีวิตบุหรี่เหล้ามันอาหารชีวิตหรือมันอาหารทำลายชีวิตก็ต้องจับไม้พูดดังตีสี่ตีห้าตกเ้านี่เสื้อหมอนอยังกอดลัดมัดอยู่หรือเปล่าสลัดหลุดไหมฟังเสียงหลวงพ่อแล้วสลัดหลุดไหมไม่หลุดมันก็ น, นอนให้ผ้าหอมันอยู่นั่น เ, นเสื้อหออยู่นั่นแหละ ตอนเช้าเรามีหน้าที่ต้องคอยเตือนส่วนเขาจะฟังจะเชื่อไม่เชื่อก็อบางทีบางเช้าอารมณ์ดีๆก็บอกสมาชิกลงโปแก้วนะจะนะจะอะไรต้นหนิดหน่อยหวานหน่อก่อนจะพูนน้าตาลแทมต้นนิดมาชิกลงโปแก้วจ๋าเลยก็ว่าไปเนี่ยตื่นหรื อ, อยังจ๊ะถ้าลมไม่ดีว่ตื่นมาง่วงเปรี้ย มันก็อาจจะมีรุนแรงบ้างก็เตือนเขาแต่เช้าให้เขาเตืน่นให้เขาทางานให้เขาทานูน่นทํานี่ไปนี่คือหน้าที่ที่ชาวพุทธต้องคอยตักคอยเตือนกันแต่เขาจะเชื่อฟังไม่ฟังมเรื่องของเขาไอเรามีหนะ้าที่เตือนก็ต้องเตือนแล้วทำไมาเองเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องหลงปราวันพระอาวุโสก็ต้องนะเพราะมีบทเหมือนกัน สังคัมอาวุโสปวารีมิทิเทนวาสุเตนวาบริสังกายวาเนี่ยจะไม่ปริปรากวาจาเทียมท่านภาวนาให้ท่านคอยเตือนได้แม้แต่พระโอรสเจ้าอาวาสก็ต้องให้ลูกวัดเตือนได้ไหมท่านสุชาติเตือนถ้ามาได้ไหมถ้ามาทำผิดเราลองภาวนากระทันให้ท่านเตือนลูกวัดก็เตือนได้แต่ถ้าท่านผิดเราเป็นเจ้าวาสเราก็ต้องแต่ท่านก็ต้องทํำภาวนาเหมือนกันในวันนี้ นี่คือสาระสําคัญในวันนี้แต่ว่าชาวพุดดทธธทําจริงส่วนใหญ่จะรู้แต่เพราะวันออกปรรษาวันปลาวันาไม่ได้สนใจเลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วพระก็ไม่สอนนี่ปัญหาถึงได้สิบเจ็ดเปอร์เซนอีกแปดสิบสามไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เข้าใจเลยจะโทษโยมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะพระรู้แล้วทําไมไม่บอกไม่สอนไม่ เตือนไปมัวห่วงใยจะเรี่ยอะไรจะพึ่ดจะพือไปมัวห่วงใยจัดอะไรก็ไม่รู้แม่เดี๋ยวนี้ชักลําการวัดบางวัดไกลๆเรานี่นะเสียงเพลงเสียงดนตรีเลยไม่รูเราจะอ่านห น, นซื้อจะมานั่งคิดเดินคิดอะไรดึกๆเสียงมันดังทํารู้มันหันลำโพงมาตรงนี้ทำไมมันน่าจะใสห่หยพวกมันนี้อยู่เนี่ยนะเมื่อคืนนี้ผ่านมานะ ผ่านมาสามทุ่มคุณยุมากกว่าพวกเราที่ทำบุญนี่ตกลงว่าบันเทิงยั่วยวนอำนาจวัดไหนมีสิ่งบันเทิงวัดนั้นคนก็วัดไหนมีสิ่งยั่วยวนแล่ววัดไหนมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เสกเนี่ยหวังจะได้อำนาจกันทั้งนั้นนะหวังจะขลังจะเสกศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เป็นเรื่องอำนาจนะ คำว่าอำนาจนี่ไม่ใช่เป็นนายกในพลพลเอกอะไรพวกนั้นเป็นนายกเป็นประธานที่บรีระหว่ังอำนาจตรงนั้นไม่ใช่อย่างเดียวอำนาจตัวนี้ก็ก็ถือเป็นอำนาจทําธุรกิจแข่งขันกันว่าใครจะได้ยอดสูงเขาเรียกอะไรของตลาดไอการบอกจะทําให้ตัวเองครองตลาดก็คืออำนาจทางเศรษฐกิจจะมีอำนาจครอบครองทางเศรษฐกิจ พวกบริษัทเบียร์เหล้าจึงหาสิ่งบันเทิงเอาความยั่วยวนเอาดารามาดื่มมาโพสให้ดูเพื่ออำนาจยอดจำน่ายตัวเองจะได้ครองตลาดเศรษฐกิจนี่ก็เป็นอำนา จ, จนินหนึ่งสามตัวที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยทา น, นก็ต้องเตือนกันเราอย่าไปหลงโอ้โหแม่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ชัดเลยชัดเลยรู้สึกแวบเลยว่านี่เอง บันเทิงนั้นวัดจับหลักไม่ได้พระหลักก็ไปคําหายพวกบันเทิงมาล่อยั่วมันแหมมันยั่วยวนจริงๆแล้วอํานาจที่ธรรมะจะไปประครัดประคองใจพระใจเ네นรกันยังไงถ้ามาแปลกใจกรรมาการวัดกับเจ้าอาวาสทําไมปล่อยเรื่องอย่างนี้ออกมาได้แล้วทําไมพอใจได้บ้าบอเลยเมื่อก่อนงานปีเนี่ยจาได้ตอนมันเด็กๆ งานปีมันต้องมีปีละเขาเรียกงานประจำแต่ปีหนึ่งมีสา ม, ส, ามสี่ครั้งนี้เรียกอะไรอ่ะมันเรียกอะไรงานประจำเดือน <c oughs> ไม่ไหวจบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประหลาดเนี่ยไอเด็กของเราเนี่ยก็มี2องสามคนไปแลมาพอเอินกลับดึ ก, กว่านั้นแล้วก็ตรวจสวนกลับมาดึก เด็กของเราสี่หคนหกคนมันเจอมาวิ่งหลบกันวัวว่าพักวับบางทีไอ้บ้านมันอยู่ข้างในเนี่ยไปพักกัไหนแม่มันไม่รู้หรอกมันไม่นึกหรอกก็เดินเที่ยวกันตอนนุเรียวบอกอีไปอีหน้าอะไรเงี้ยไเราก็บังต้นไผ่อยู่เนี่พอมันเห็นเราไปวิ่งกับปูปูปยังก็เห็นผีเลยเห็นพระยังก็เห็นผีเลยนี่มันแม่บหลาดสิ่งบันเทิง สิ่งยัย่วยุนและอำนาจวัดก็อยากจะเปนได้คล้องใจญาติโยมว่าสนุกแต่อย่าทำไปเล่นไปนะเขาบอกเจ้าอาวาสพระที่เป็นวัดพระประเภทแถวแตวแถวแ ต, วแ ต, วแตกอะไรพวกนั้นอยู่นี่พระแตถวแตกเยอะแล้วก็โยมนี่ยนะโยมนี่เขาจะนิยมพระแตถวแตกเขาบอกกันทางจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยนะพระที่สมบูรณ์แมนแท้ๆเนี่ยโยมไม่ค่อยสนใจ จะจะพระแตวแตกนี่เพราะเลยไหมพระแตวแตกเนี่ยก็จะไปรับจัดงานบ้านไปจัดพวงอะไรพรมผ้า ท, ที่เป็นสวยเป็นดอกฮะไปช่วยจัดให้โยมถ้ากระผบดจ้าหวานจะเพราะว่าเป็นพนั้นอยู่แล้วโยมชอบเนี่ยพอมาถามมันามาได้ไปช่วยจัดบ้านผมไม่เป็นหรอกเขาอาจจะสวนกันกได้ง่อะไรบวชมาตั้งนานทํำไมเป็นก็มันไม่ถาม ถึงทำเป็นก็ไม่ไม่โง้ไปรับใช้ทำหรอกมันเป็นเรื่องรับใช้โยมก็เรียกพระหัวประจบเป็นอาบัตินะพระหัวประจบเนี่ยประจบโยมนี่เป็นอาบัติทำอะไรชอบเอะไรไปแจกไม่ให้โยมแบบชนิดหวังประจบเห็นก็ศรัทธาประจบอยากได้นู่นได้นี่อันนี้ก็เป็นอาบัต ด, ด้วยพระหัวประจบอ่ะตอนนี้น่าจะผ่านเรื่องภาวนามา อามาเรื่องออกพรรษานิดหนึ่งก็คงจะต้องเตือนกันนะเราไม่ใช่ชาวพุทธเทศการเรามันเป็นชาวพุทธที่มั่นคงในศาสนาเนี่ยมันต้องมั่นคงในเรื่องศาสนาธรรมไม่ใช่จัดนะพิธีพิธีที่มีไว้เฉพาะทําเทศกาลเขาบรรษ า, าออกพรรษาวิสาขะมาฆะเนี่ยเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรมันต้องจัดรูปแบบอเปณีขึ้นมา เพื่อดึงคนเข้ามาถ้าจู่ๆวันนัดหมายมาฟังทำ ม, ม า, าทางดับทุกข์คนมาไม่มากหรอกแต่ถ้าบอกเรามีพิธีนะพิธีนั้นวันนี้วันนี้อย่างนี้ยองการตุจศาตอะไรเนี้ยถ้าบอกเป็นพิธีเนี้ยทั้งใต้ไหมพิธีปัรดาใหญ่ทำไมเน่นไปหมดเลยของเราก็วันเทศจากการพวกสงกลงุงสงกรานเนี้ยจะเยอะแต่ไปไปมามันเลอะเทอะมันเอาไปเป็นเครื่องมือดึงคนเข้าเที่ยวโน่นเที่ยวนี้ เนี่ยยางลอยกระทงกระทึงเนี่ยเละหมดเลยเดี๋ยวจะขึ้นป้ายนะจัดงานวันเนี่ยพระพยอมจัดงานยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของชาวพุทธเนี่ยเข็นเตรียมวันนี้ล่างแหละไวรีบทำไวเลยล่างเลยวันผู้สูงอายุปีห้าเก้าเนี่ยพระพยอมจะทำบุญใหญ่วัดสวนแก้วจะทำบุญใหญ่คืนกําไรสู่ชาวพุทธ ที่บอกแตะแตะไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยยบางทีจะต้องขอแรงญาติโยมเนะีะเอาใบโบชัวไปพระพยอมจะตั้งกองทุนแก้วิกฤตการคนชราพี่จะเกิดปัญหาในสิบสี่ปีข้างหน้าคนชราจะเยอะคนหนุ่มสาวจะลดลงต้องเงินหนุ่มสาวที่ทาําอะหากินไม่มีค่าอะไรภาษีภาษีคนหนุ่มสาวทํางานมันลดแล้วคนแก่เพิ่มได้ทาไงวิกฤตไหม โยมหมายมื่องวันนี้ที่มาคิดทํำนี้เนะี่ยมันเป็นโอ้โหนั้นทดมากนั้นทดมากๆเลยทหารเขาเมาแล้วขับรถชนคนในรถนั้นตายสามศพสามศพเนี่ยเรียนจบคนหนึ่งจะจบคนหนึ่งได้คนหนึ่งก็ผมเรียนเป็นลูกโยมที่เอาเมื่วันนั้นใครเห็นมหมที่เข า, เาตุ๊ ก, กตามาถวายเยอะ ลูกเขาเนี่ยชอบเล่นตุ๊ ก, กตาไอ้ลูกคนเล็กสะตว์สมตุ๊ ก, กตาบานเลยนี่ ก, ก็ให้มันสามกระสอบไปยมไปดูดีไอเด็กมันมองกันตาวาวใช่เอาไว้นะแล้วก็บ่นไงผมไม่อยากเอาไว้ทั้งบัวทั้งเนื้อเห็นที่ไหลก็น้ําตาไหลทุกทีเห็นที่ไหลก็น้ําตาไหลทุก ท, ท, ก ท, กทีก็เลยเอามาให้ท่าหกกระสอบของลูกสาวสามคน ลูกสาวทั้งนั้นพ่อแม่นี่ก็หวังเหลือเกินว่าลูกสาวสามคนเนี่ยจะต้องเป็นที่ยามแก่ยามก็รถชนตูมตายหมดเลยทั้งสามลองคิดดูที่จะมาทำเนี่ยเราอย่าคิดนะว่า เ, เรามีลูกตั้งสามที่คนจะไปอยู่กับท่าทำไมแต่วันไหนลูกรถชนตูมตายหมดะอะเราโยมจัดคิดยังไงตั้งตัวไม่ทนันสามเคสมาหามา อืมไรคิดเราอีเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเขาหวังจจเพิ่งลูกแล้วลูกมาตายก่อนแล้วถาจริงออุบัติเหตุดียวนี้มันง่ายกว่าเก่าไหมเมื่อก่อนเรามีลูกสามคนมันมีรถรมีเรือมมาชนตายระบ o ระเบิดก็ไม่มีเราก็มั่นใจใช่ไมว่าแน่นอนสามคนคงไม่ตายพร้อมหมดแต่เดี๋ยวนี้นั่งรถไปกันเดียวกันพ่อแม่ไม่ได้ไปมันไปตายเรียบเลย ปับใจไม่ตันร้อง่ายอย่างเงี้ยมีมาสามลายสองลายสามลายเอาของมาให้ก็ร้อง่ายเราไม่รู้จะอยู่ยงไงเขาไม่อยู่ก็ไม่อยากอยู่เห็นของก็อยู่ก็ถูกแล้วมันทุกข์ใจของลูกทั้งหมดแกคนมาให้สองคันรถทาหารขับรถเมาจนลูกแกตายหมดเลยแล้วก็ถามแล้วก็จะรับใช้จับตัวอะไรได้ไหมผมไม่มีอารมณ์ยุ่งหรือไง ไม่รไม่ไม่มีลมยุ่อยากจะจัดเรื่องงานศพลูกให้จบก็ภายในสามเดือนเนี่ยท่ามาได้ยินเรื่องแบบนี้เยอะเขา้าเยอะเขา้ามันเล่าใจอ่ะที่เราจะหาทางออกพอดีบวกกับคิดเข้าวันศานี้มันต้องมีกานออกพรรษาออกแบบไหนเราก็ต้องเตือนสอนญาติโยมแล้วเราจะหาทางออกอะไรให้ญาติโยมชาวพุทธที่ทําบุญทําทานเป็นทุกข์กันมาเนี่ย ไม่มีพระไม่มีทางออกเลยก็เลยปุดติงตายไปถ้ายมเป็นทุกข์กันมากหมดในวังที่พึงอายุก็มากแล้วมากาลังทำโครงการนี้มีบ้างแล้วเริ่มทาที่กวะบินไนงแล้วก็ให้ภาพก็ดูถ้ายมคิดว่าพระหรือมุนิติพอจะช่วยโยมได้บรรเทาทุกข์ได้โยมมาอยู่เถอะนี่มาจอมก่อนเตรียมมาติดต่อแลหละไล่ก่อนนะ่ะมาแล้วมาดูที่ดูทาง แ, แล้วเราก็มาติดต่อแล้วนัดวันแล้วว่าจะให้ของวัดเอารถไปรับของที่บ้านติดต่อค้ายบ้านที่บ้านเชาก็ปล่อยไปไม่ต้องเสียค่าเช้าก็สบายเดี๋ยวนี้มันไม่แน่แล้วเรานึกว่าเรามีลูกเราคงจะอยู่กันได้แต่ก็เกิดบาดเหตุไปปุ๊บปั๊บเราทำยังไงอ น, นี้มันมีตายแบบง่ายๆเนี่ยยอะปุ๊บปั๊บไปแล้วแต่ก็เฟง้งไงซะเนี่ย แล้วรัฐบาลก็อะไรเนี่ยบ้านหลังแรกบานแล้วก็สร้างไม่ทันทําไม่ทันกับไอ้สถานการณ์วิกฤตการณ์มันเกิดแล้วชาวพุทธก็มัวแต่ทําไอ้เทศกาลเนี่ยวิกฤตการณ์อะไรไม่ค่อยคิดทําให้มันทันกันเลยมาก็เลยบอกอยากจะวนโยว่าเทศกาลออกพรรษาเนี่ยเราต้องคิดอาทางออกอะไรให้บ้านในเมืองให้ชาวพุทธเราด้วยให้ชาวพุทธออกพรรษาแล้ววัดวาไม่มาไม่รู้ไม่ร่วมไม่ทำ มันออกไปไหนเราไม่ใช่นกที่บินออกจากกรงแล้วไปเลยซี่กรงของหลังนกกรงนกมันทําให้นกปลอดภัยไม่ถูกยิงด้วยกระสุนลูกดอกลูกศรนต่บางคนเนี่ยบางทีอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นะเออเราจะออกไปทำไมออกนอกสินนอกทนีัยอันตรายเหมือนนกออกนอกกรงนี่นะไอ้ะลอกเดินนกที่ยมนะั้นพันน่าเห็นก็ตาเลยนะ ไอ้นกอะไรนะที่สวยๆที่เขาเรียกนกอะไรที่มันชอบส่งกระจกอะที่ยมปู่ชอบไปเดินเออแน่นอนหยกเนีย่ยพอออกไปแล้วมันก็ไปดูไอ้นกอะไรนะนกเขาแมวเลยนกอะไรมันนอนๆนี่นกเขาแมวจุ๊บขนล่วงเป็นปุยเลยแล้วมาถายไฟเดินดูเนี่ยก็บอกไอ้ทุนๆทีน้นี่ไก่กัดที่แรกนึกว่าหมากัดไก่เห็นขนก็จุยไม่ใช่ไม่ใช่ใชพ่อ ไอ้นกเขาแมวมันกินนกไอหงยกที่มันหลุดออกไปจากโก้แต่ไอ้กระลอกเนี่นะปล่อยมันไม่ไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันไปโ ด, ดนไอ้ตัวข้างนอกลุ่มกัดไอเจ้าทิ้นยังมาจากไหนเนี่ยมัลุมกัดวันเมื่อคืนเนี่ยเขามีข่าวแปลกนะปลาปลากระเปรากัดนักท่องเที่ยวที่นครนายกคือเวลาฤดูไหนช่วงไหนที่มันออกลูกนะมีใครนะคนไปไว่ายน้ําไปกํากัดแม่เท้าเลยกัดเป็นแผลเลยเป็นเซนเลย เนี่ยก็เลยเอาลูกดอกไปดักยิงกลคืนเนี้ยก็สงสารันยิงโอ้ยิงโดนโดนตรงเนี้ยติดดึงขึ้นมาเพราะมันไปกัดเขาแต่มันจะกัดเป็นฤดูนะฤดูไหนถ้ามันวางไข่เร็วเนี่ยหรือ ล, ลูกมันกำลังเล็กๆเนี่ยเข้าไปใกล้มันนึกว่าจะไปทำเอะไรลูกมันทํำลายลูกมันกัดเลยแล้วก็เห็นพวกนั้ น, นะ่ะแล้วก็ยิงแบบได้ไปดั้งหลายตัวไอ้ค น, นธรรมชาติทำมาแล้วจะแก้ไขไงก็หยาดลงไปตรง ไอ้คนไปเที่ยวทำไมต้องลงแฝงเท้าหาแล้วก็ไปดูสิเขาวอกมันจะอยู่ตรงน้ํานิ่งไอ้จัปากปกระเพานเนี่ยปากมันคมมากแต่ถ้าเป็นน้ําไหลปลืดปั๊ดเนี่ยมันจะไม่อยู่แต่คุณก็ไปเลือกไอ้ที่น้ําไหลๆแต่น้ํานิ่งๆอย่าไว้ข้าไปไว้กับไปมันจะมีพวกนักกัดเอา้ยยยอเายอมยมออกพรรษาจะแวกไว้ไปหาปากระเพ คนออกบรรษาไม่ได้แฟนแฟนเตะน่นวมกับวัาลวงพ่ออกบรรษาหน้าไม่ไปไหนก็ <c ười> มีเออแฝงไว้เนี่โยโบราณเขาจะแฝงเท้าหาเสียงบางคนก็นออกบรรษาแล้วก็ตะเลิดไปเลยไม่ได้เข้ามาวัดวาวทิ้งทำไม่สนใจไปตะเลิดกนะ็มีนะเหมือนไอ้พวกที่งดเล่าเข้าบรรษาพอออกบรรษาแล้วมันกินชดเฉยทุเลตมากหนักกว่าเดิม มนที่ตายวันออกพรรษาเนะี่ยเพราะว่ามันอั้นมาันาน้ำอะไรก็มันยยินชดเฉยไอ้นี่ก็เลยกออกพรรษาถูกไหมมันออกจากคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าจะออกก็ขอให้ออกไปทํำไปหลายนาที่ต้องไปดูแลครอบครัวและบ้าน บ, างบางังนั้นหาทางออกกันถ้าอย่าคิดแต่ว่าจะออกพรรษาแล้วลาพระแล้วกาบลาแล้ว ตอนนี้มาสำคัญตรงอีกนิดหนึ่งเพราะออกพรรษาเนี่ยมันก็จะมีการจัดบุญจัดอุศนทอดกระินประปาที่นี่ที่นั่นที่โน่นบางคนออกไปหาบุญสแสวงบุญก็ไปอย่างมีคุณธรรมมีมิยมคณะประปาที่สวดมนต์ไปตลอดทางมีไหมมีไหมมีนะสวดมนต์สวดพรกันไปตลอดทางมันก็ดีไอ้บางคณะเนี่ยเมาด้วยกอกเหล้าขนขับด้วย แล้วก็ไปกิ้งหลงข้างทางกันทั้งคนขับคนให้ส่งเ้าตกลงว่าจะออกสแสวงหาบุญเนี่ยถ้าสติปัญญามันน้อยความหลงมันมากมันก็ออกไปหาทุกข์หาโทษหาประสบปสบุบัตดเหตุให้เสียชีวิตสิ้นชีวิตได้แม้แต่แต่งที่บอกว่าไปออกหาแฟนที่ข่าวออกมาเช้าเนี่ยไปมีเมียน้อยไปมีกิก๊กไม่เคยกลับบ้านกับช่องกลับมาเดี๋ยวเดียวก็ จะไปอีกแหละเมียก็บอกโหชุนี่มาตอนดึกแลงวยังจะไปอีกเอาญิงสามนัดไปยางเปรียงเจาะเขามบเลยหน้าอกสามดับคาทีไอหลานเนี่ยกับคนใช้มันก็ไม่กล้าเรามาดูพอรถตอยบืดไปเดี๋ยวได้ยินเสียงโทรศัพท์ขอให้คนยิงดูแลหลานให้ดีหน่อยนะแล้วแจ้งตำรวจว่ามีคนถูกยิงตายที่บ้านมันก็เข้าไปดูศพ ตายแล้วเราทือสินกันสงบเขาลบกันแล้วตายกันแล้วไม่ทาจริงได้ยศระหว่างชีวิตเรากับผัวนี่จะเอาไหนไว้ก่อน <c oughs> ยมอมตอบไปชัดๆพี่ชีวิตเรากับผัวนี่จะเอาไว้ไหนไว้ก่อนเสียผัวแต่ไม่เสียชีวิตหรือว่าจะยอมเสียชีวิตแต่ไม่เสียผัวให้ใคร อะไรโบราณเขว่าวไงเสียทองแต่ไม่นี่เสียชีวิตกูก็ยอมได้อย่าเอาพวของกูไปไปเป็นแบบนี้คติมันต่างกันมันก็เลยเสียชีวิตด้วยไอ้พวก็ติดคุกอีกเสียอิสรภาพอีกทาไมเกิดมาเพื่อสูญเสียกันอย่างนี้ไม่ทําเรื่องเสียเสียกันทําไมนั่นออกพรรษาก็อย่าออกไปทําเรื่อง เสียเสียเข้าปรรษาเราทำแต่เรื่องดีดีแล้วออกปรรษาทาไมโง่เง า, งาไปทำแต่เรื่องเสียเสียเนี่ยก็ขอฝากว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเราควรจะออกปรรษาแบบไหนออกพรรษาอย่างไรถึงจะเป็นการดำรงความเป็นชาวพุทธว่าจะออกไปไหนก็ตามแต่จะต้องไม่ออกแสเข้าไปหาแต่เรื่องทุก เนี่ยออกไปเสวยงานบุญทอดกรถินพระป่าเมากันกอกเล่าเกอะยากันแล้วที่เลวที่สุดเลยคืออะไร ไ, ไหมเอากรถินพระป่ า, ปาบังหน้าที่แล้ไปเปิดบอนการพนันจําได้ไหมที่บอกไปจองทั้งภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยไอ้คนจอดจองเนี่ยมันพวกนักการพนันมันก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อขอตํารวจได้ไหมปก็อยัดจับพวกเราไปทําบุญเนี่ยมันอ้างบุญเนี่ยมันอ้างบุญแต่มันไปเล่นไพ่เล่นไฮโล ก, กันในวัด ถวัดไหนงกเห็นแก่เงินก็ไม่เป็นไรจะไปติดต่อตำรวจให้เพรายมมาทอดประประจริงนะอะไรเงี้ยพระงกก็ทําวัดเป็นบ่อนวัดพระแต่คนชอบสนุกก็ทําวัดเป็นวิศพวกวัดเป็นวิศวัดเป็นบ่อนวัดสนุกวัดเศร็จอะไรพวกนี้เยอะเลิเต้อ <c oughs> ความไม่เข้าใจศาสนานั่นเองที่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นไอ้พวกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นไม่ทำหรอกแต่อพวกแปดสิบสามมันจะทำเรื่องพวกนี้แล้วเราจะอยู่ฝ่ายแพนกนายม1สิบเจ็ดหรือแปดสิบสามเข้าใจสิบเจ็ดไม่เข้าใจแปดสิบสามมันไม่บาลานด์เลยมันน่าจะห้าสิบห้าสิบนะอิสลามก็ยังสามสิบห้าเข้าใจไม่เข้าใจเท่าไหร่อ่ะสามสิบ้าก็คือหกสิบห้าใช่ปะ ของเขาไม่เข้าใจหกสิบหาของเราแปดสิบสามไม่ไหวไปวัดไหนวัดไหนไม่สอนให้เข้าใจปล่อยให้เขาเจ้าบ้านเขาละเลย ง, งมงายลุมล่มลงตกลงว่ายิ่งเขาออกพรรษาก็ต้องติดตามคอยเตือนคอยสอนคอยบอกคอยแนะโ ย, ยมออกพรรษาต้องไปออกเสวงหาถ้าพระนี่ออกพรรษาท่านไปไหนเขาเรียกออกทุ ด, ดงเข้าใจปะ พระออกพัรษาเนี่ยที่ท่านจะออกธุ ด, ดงทุ ด, ดงแปลว่าอะไรธุ ด, ดังฆทุ ด, ดงเนี่แปลว่าขูดเกา่าท่านออกไปขูดเกา่าแต่ไม่ใช่ออกพรรษาด้วยพล่านด้านไปไม่รู้ไปไหนไปอยู่ก็ไม่ได้ไปสร้างสรรค์คุณงามความดีทําให้ศาสนาลุ่งเรืองไปอยู่ที่ไหนก็ก่อเหตุที่นั้นมีพระเคย อ, อยู่ที่วัดนี้องค์อยู่นี้ไม่รู้ไปไหน ให้ไปอยู่สาขาไหนก็เรื่องทุกที่เลยได้บอกต่อไปนี้ท่านไม่ต้องมาแล้วตอนเลยบอกแม่แม่อยู่แล้วอยู่แม่กันไม่ได้นี่ออกพรรษามมืนลูกออกจากกล่องมินปลอเลยแล้วไม่รู้บบินออกจากกล่องไปหัวพุ่งไฟวะก็ไม่รู้ก่อนเข้ามาบวชก็หลงละเริงมีลูกมีเมียบวชแล้วก็ยังออกละ เ, เริงลงลิศอีกโอ้ย คิดดูแลอาชีวิตคนบางคนนี่ไม่รู้ความคิดก็เป็นไงนะแต่ ก, ก็ไป้าไปเพราะฉะนั้นคําออว่าพระออกวรรษาพระทั่งก็ไปคูดเก่าไม่ใช่ไปก่อเรื่องบางองค์นี่ออกพรรษาพราดเดินทุดดงบ้าบอยไปทุดดงในเมืองเนี้มันน่าทุเล็ดนะโยมพระบรานนอกเข้ามาทุดดงในเมืองส่วนพระในเมืองออกไปทุดดงข้างนอก ใช่หไหมตามตามไอ้ปลายรถไฟเอ่นนะนะปากตาซุ้มนั่นน่ะพระภายนอกเข้ามาจอดปักกดแถวหน้าตลาดรถไฟสงบยังไงเขาเรียกออกไปไปวิเวกอย่างเงี้ยออกพรรษานี่พระจะออกปริวิเวกบางทุ่ดงบ้างอะไรเงี้ยแตมากับปีเนี้ปีหน้าเนะี่ยคงได้ไปกับเขาบาักเป็นช่วงๆแต่ ว, ว่าบางช่วงบางเดือนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่เลย ไปหามุมสงบไปนั่งทําหนังสือนังหาเตรียมว่ายังไงต้องได้เจ็ดเล่มเจ็ดเล่มถึงสิบเล่มจะทํามาเรื่องที่ไม่เคยคิดเคยฝันเคยอ่านกันมาก่อนหรือรวบรวมสิ่งที่เคยพูดเคยสอนกันมาแล้วให้เป็นเล่มเป็นรูปเถอะแล้วก็อาจจะรวบรวมคําที่เต้นสอนเก่าๆเนี่ยไว้สักร้อยเรื่องก็ออกราษานี่มีแต่ออกความคิดว่าจะสร้างสรรค์อะไร ไม่ใช่ออกพรรษาไปไหนก็ไม่รู้เรื่องรู้แล้วเรากินอย่างยอมตั้งใจว่าออกพรรษาจะออกไปทําอะไรเออมีเป้าหมายเปล่าออกพรรษาหาทางออกให้สังคมให้ประเทศชาติออกจากความแตกแยกออกจากความแบ่งสีแบง่งฝ่ายถ้าออกมาได้เนี้ยประเทศชาติมันก็เดินไปได้ถ้าออกพรรษาลบมันต่อยก็เสร็จ มันออกพรรษาจะต้องออกจากอะไรบ้างเอา้าหนึ่งออกจากความเกลียดชังเพราะภาวนากันแล้วเนี่ยเราจะไม่เกลียดชังกันใครเตือนเราเราก็ไม่เกลียดเอามาวันจุดแรกเลยเราต้องออกจากความเกลียดชังใครสัก ใ, ใ, ใครเพราะความสุขมันต้องมีแก่คนที่หมดเกลียดแต่ถ้ายังมีเกลียดคนนี้ก็นั้นก็มีทุกข์ต่อไปเคยได้ยินแล้วใช่ไหมกิเทียวมีสุข เพราะหมดเกลียดแต่ถ้ามีเกลียดก็จะหมดตกลงว่าออกพรรษาเนี่ยทายตัวเกลียดไม่ออกด้วยออกแต่เทศกาลไอตัวเกลียดไม่ออกจากสันดานสุขไม่สุขก็ไม่สุขนั้นใครเกลียดใครจ้องล้างจ้องผ่นันจ้องปาดฟันห้ำหันดาทอกันเขาก็ไม่ได้ออกจากความทุกข์เขาก็ไม่ได้ออกจากกิเลส นั้นออกปรรษาพระไปทุ ด, ดงไปขูดเก่ากิเลสเพื่อให้กิเลสที่พอกหนาเนี่ยมันเบาบางพระจึงจาลิกออกทุ ด, ดงกันช่วงออกปรรษาพระจะออกจากนี่ต้องออกได้วันไหนโยมวันนี้ออกไม่ได้นะวันนี้ออกไม่ได้เพราะยังไม่ได้อรุนอีกลงอลุนหนึ่งต้องออกจากหลังเทโววันเทโวไปแล้วถึงจะออกได้ ย่ออย่าออกพรรษาแบบร้อนหลุนอย่าออกพรรษาเหมือนไฟไหม้ก้นมันต้องออกพรรษาไปแบบเยือกเย็นจะถึกอาลาเพศไม่มีปัญหาอะไรแต่เราต้องพกความเย็นติดไปถ้าเอาความรุ่มร้อนออกไม่ได้ความหมายในการออกพรรษาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเงินเสียทองเสียวเวลามาทําบุญทําทานกันไป แต่ไม่ได้เอาไอ้สิ่งที่มันสร้างความทุกข์ออกไปอามาก็ตั้งใจว่าออกบัญชาเนี่ยจะทำสองเรื่องให้มากที่สุดจะออกแนวคิดแนวสร้างสรรค์ให้ญาติยมที่มีความทุกข์ออกจากความทุกข์ออกจากความจนออกจากความขาดการดูแลอุ้มชูอะไรต่างๆที่ญาติยมรู้สึกตึิอัดทรมานใจเนี่ยถ้าเราได้ไปเขียลูกให้แกเมื่อเช้านีย การมาสังเกตที่เทศนานเนี่ยนะมีคนที่นั่งแก่ๆบนเก้าอี้ด้านหลังเนี่ยแค่รู้สึกฟังแล้วมีความสุขทํออาวัดในวัดเป็นอย่างนี้มั่งให้มีหลักประกันบ้างว่ามาทําบนวัดนี้แล้วต้องไม่ถูกทอดทิ้งเมื่อหมดเนื้อหมดหมดลูกหมดหลานไม่ใช่ทําทับตายพอเราหมดเนื้อหมดตัวพระไม่สนใจพระไม่ได้ดูแลเอาใจใส่อะไรที่ทุกยากที่เกิด อาตมาคิดว่าคนแก่ๆที่ตนุบำ ร, รุศาสนามาตั้งนานเนี่ยแล้วแก่ๆ แ, แล้วแกมดทุกเหลือเกินเนี่ยโดยไม่มีใครดูแลนะเลยทางาศาสนาเนี่ยคณะสงฆ์อะไรก็ไม่ดูแต่เราจะมาคมก็ไม่ดูจะวาดวัดต่างๆก็ไม่ดูปล่อยคนแก่คนเท่าเป็นทําให้แกอุ่นใจบอกยอมยมตายก็อย่าไปคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวมีเงินทาศพให้เดี๋ยวมีเงินซื้อโรงให้ เดี๋ยวคาาสวดค่าอะไรตะมากออกให้เองอย่างน้อยก็ตายอย่างสบายใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนปลอบนึงอะไรปลอบใจให้แกได้สบายและมีหลักประกันว่าเราต้องทำให้แก้ใหได้สรุปแล้วโยมตะมานั่งคิดดูตัวเลขเนะี่ยตอนมีเรื่องเรื่องืชั่แดงเนี่ยทำให้ยอดตกตกไปบานเลยนะมอปีที่แล้วเนี่ยยอดมูลนิี่หายไปสิบสี่ล้าน เฉพาะของธรรมาหายไปหกแสนเงินกันเทศเงินใส่บาตรนเนี้ยหายไปหกแสนไอจุดอื่นๆมันก็หายไปล้านก็มีปีนี้หายอีกเจ็ดล้านสิบสี่กับเจ็ดเป็นเท่าไหร่ฮะยี่บเอ็ดมาดูไปดูไอตัวเลขไรายได้เก่าๆมีปี 9. ได้ร้อยเจ็ดสิบล้าน ตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องมีเล่าอะไรกันแต่ตอนนั้นตุเรียนเรายังไม่ตายทั้งวัดบาป่งมาปรางชมพูอะไรมันก็เมื่อไม่มีเรื่องเลื่องแดงในคนมาวัดเยอะมากอู้ไปดูตัวเลขเก่าๆตั้งร้อยเจ็ดสิบล้านเคยมีแต่ตอนปีนี้เหลือเท่าไหร่140ร้อยสี่สิบกว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าคิดว่าหลังจากนี้ไปบ้านเมืองมันสงบแล้วคนมันคงเบื่อแล้วแนหะทะเลาะกัน และหวังว่าเมื่ออะไรมันต่ำสุดเศรษฐกิจต่ำสุดเขาบอกว่าน่าจะเราสักปีหกสองเป็นอย่างช้ามันก็จะเชิดอัวขึ้นบักหลังจากมันลงสุดโลกใบนี้มันก็มีได้มีเสียมีขึ้นมีลกมีบวกมีลบเลยแล้วไปดูแลตัวเลขเราคิดดูสิเมื่อตอนนู้นเนี่ยที่ดินเราก็ยังมันอีมากขนาดนี้แล้วความคิดอ่าน <S <S พเพราะลมัวไปเเท่ เลยไม่คิดดูแลวัดสร้างวัดไม่รู้ว่าอะไรอ่ะใกล้ๆตัวลูกเด็กเล็กแดงมาอยู่กับเราไม่ได้สอนได้อบหลมเขาไปติดเราติดยาแล้วมันนั่งตัวเอ๊ะเราเนี่ยมันทำเพื่อผู้อื่นมากไปเหมือนอะไรเขาเรียกไฮโซนะออกงานตัางคมจะลูกตัวเองล้มจมเป็นอันตรพาตออกงานตังกรมมากไปอ่าเนี่ยห้าเก้านี่ยจะได้อยู่วัดจะได้ไปดูแลอบหลมแต่ค่อนไปในวัดเราดีใครมาก็ต้อง ชื่นใจจืนใจก็อยากมาไหมแ้่สิ่งหนึ่งอนนะุมาขอสรุปนะโยมขอโยมช่วยหาทางออกกันดึงเด็กเข้าวัดเพราะเราเนะ่ยคงต้องทิ้งไปด้วยวัยและสังขารนี่ก็หลายคนนะที่ทื่อสิ้นแล้วไม่ได้มาไปบินระบาดเจอะนางงอซะแล้วคิดถึงหลวงพ่อถึงอา้าวทำไมไม่ไปไม่ไม่ ไ, ไ, มไหวเดินไม่ไหว เคยจำได้ว่ามาถือศีลแก่เกยูมบ้านจัดสรรแถวเนี้ยก็นึกสงสารแกอยากมาแต่มาไม่ไหวก้าวขาคือไม่ได้แล้วบอกว่างี้โยมเรามาช่วยกันหาทางออกดึงเด็กเข้าวัดเนี่ยแต่มาคิดว่าร้อยเปอร์เซนต์ที่วัดนี้มณนิธินี้ จะต้องดึงเด็กได้มากกว่าวัดใดในประเทศไทยในเรื่องที่เราให้สมาชิบเขาให้ก็มีรายได้ยังไงเขาก็ต้องไม่ทิ้งวัดมันก็มีเด็กดีๆเยอนะนัที่มาเนี่ยก็เลยบอกว่าโยอ ม, ย อ, มบบ อ, อย่าทำกระบอกเสร็จแล้วจะไปทําพสถ์ให้เดือดร้อนให้ทีละแสนทีละล้านทีละหมืน่นเราก็ บ, บอกไปแฟนไปที่บ้านเสร็จตังใครหล่นอารเจ้าของไม่ได้ใสไว้ใจไว้ แล้วเนี่ยจ้างมันทําอะไรเนี่ยดังเป็นไรวันแรงเนี่ยมันไม่ลุน้นแต่ถ้าใส่กระบอกไว้มันพ่าเพล็เนี่ยหมาถ้าเจอแบงห้าร้อยบังแบงร้อยบังเฮือดขวมันก็มาเดี๋ยวลุงบอกขอยกดูหน่อยลอกให้ได้มันก็บอกนี้หนักดิเอาเอาผ่าเพล็กมาเหรียญสลึงท่งน น, น่ามอยไอกระบอกเบาเบวาเพล็กมาเจอแบงร้อยทั้งหลายใบ เนี่สนุกดีไปนี้หนอโอ้โหพอเอิญได้ก็บอกเยอะแต่เยอะมากวันหนึ่งจะมาแจกมันสามกระบอกพออันนี้ร่องนี้เสร็จนะถ้าลองนี้เอากิ่งไม้ออกเสร็จให้กระบอกลองนี้อกจะองเสร็จสองกระบอกมันเอาเสร็จสามเราก็ได้ให้มันไปเลยสามกระบอกง่าสนุกคิดแหะคิดทางออกแล้วว่าคิดออกแล้วว่าที่จะดึงเด็กเข้าวัดเนี่ยทํำยังไง เพราะเราไยก็ต้องออกจากโลกนี้ไปเราก็ได้ใครมารับช่วงถ่ายทอดต่อไปถ้าเด็กมันไม่รับช่วงถ่ายทอดเพราะเราไม่มีดึวิธีดึงเขาเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้แต่วัดนอกจากดึงมาไม่ถูกแล้วยังดึงทางผิดอีกนะไอ้วัดที่ไปมอมเมาให้เด็กไปด้วยนู่นไอ้นี่เล่นกันเนี่ยไม่รู้เป็นวัดหรือเป็นเวรของเขาทำวัดเป็นวิกอยู่เนี่ยมันคิดดูแล้ว ไม่ไหวนี่ก็หลงทางไปออกนอกทางออกนอกลูกออกพรรษานี่จะมีอะไรที่เราจะคิดทำกันโดยเฉพาะทางออกที่หนึ่งอยากฝากไว้เลยว่าช่วยกันดึงเด็กาวัดนะอย่าวางๆอยจะเอาลูกเด็กไปเลี้ยงอะไรบ้างไปทำงานตรงไหนติดไปเ็าหน่อยช่วยกันหน่อยนะต่อไปตะมาเที่ยวมันจะมาะเกตแปดร้อยนะ ลำพังอาตม า, ามหมือนเืินนไม่รู้มันจะไปลงตรงไหนมันเยอะกๆนถ้าเออทาแม่ข่าวเนี่ยอ่ะพาอขอมาสามคนทำไม่ีีพอมาสองคนทำไมนุดททำไปเราเป็นแม่ข่าวเก่าแล้วนี่ถ่ายทอดเรื่องดีๆให้เขาก็เหมือนพี่สอนน้องกันไปตัวเราเองก็ทำคุณทำประโยชน์ให้ศาสนาแล่อก่อนนี้ผู้หญิงเทศเก่งๆก็มีเยอะนะ นางอะไรสุทินนาธรรมะเทพ เ, เก่งเยอะภิกษุณีอะไรที่ใด้เอตะทักขะเทพสอนเก่งอุบาสิกาเทพสอนเก่งพุทธเจ้ายกย่องเป็นเอตะทักขะหญิงคนนี้แก่เลิศเรื่องนี้คนนี้แก่เลิศเรื่องนูน้นเนี่ยก็ดีก็อยากให้ออกบรรษาเราหาคนเลิศเลิศออกมาทําให้ศาสนาลุ่งลื่งต่อไปเอาละมั้เบื่ อ, อยังเยอะ แต่ตอนนไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวเขาพิมมาเมื่อไหร่ก็ช่วยกันไปบอกว่าวัดส่วนแก้วจะจัดงานยิ่งใหญ่แต่ไม่มีบันเทิงแล้วมีอะไรแต่มาจะเขียนทิ้งายไว้ว่าจะมาพิสูจน์เอาเองก็แล้วกันแต่มั่นใจว่างานนี้ต้องเป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธต้องเป็นหลักประกันให้ชาวพุทธที่ทาบุญวัดนี้แล้วด้วยต้องไม่มาตกกรรมลาบากยำแก่ยำเท่า คนเรานะเวลาป่วยเนี่ยพระไปเยี่ยมมังเอาหนังสือเตปธรมะไปให้อ่านบ้างมาชอบมากเลยทีว่ว่าความเจ็บไข้มาตักเตือนในฉลาดที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเขียนไว้เนี่ยคนเจ็บป่วยจะทำให้ได้มักผลนิพพานง่ายกว่าคนไม่ป่วยแข็งแรงละเริงห ล, ล, ลงหลงเบียเชื่อเธอะมั่นใจเลยแล้วปีหน้าไม่ได้ไปไหน เดี๋ยวไข่เจ็บไข่ป่วยเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมก็เช้าไปฝากแบบคนนี้ก็ทําบุญทำทานแล้วยังจะคิดเลยตอบอีกนะไม่ใช่ว่ามันทําบุญวัดเราแล้ว เ, เราช่วยจัดใช้วิธีเท่าที่คิดดูคุณทําบุญวันไหนทาอะไรบรังลุงสร้างศาสนาเรื่องอะไรเขาเดินมาเขาจะมีใบอนุโมทนาใช่ปะทําบุญนี้ก็จะมีใบอนุโมทนาถ้าคนนี้รวบรวมใบอนุโ ม, ม, มทนามาให้เราดูนะโอ้โหใบโฆษณากูาาเยอะมากเลย เหมือนกับว่าทําแต้มใครมีใบนุโมทนาเยอะก็มีแต้มเยอะถ้าถึกร้อนเดือดร้อนเราก็ถึงแม้ไม่ได้มาวัดเราไปทำบุญวัดอื่นเราก็ไม่ควรใจแคบจะช่วยเหลือไปในฐานะเขาก็บํารุงศาสนาของเราอีกไม่เยอะแย่จบอกว่าไอ้นิ่ไม่ใช่วัดทนแก้วยให้ตายข้าลวงปางเหงาตายเลยไอ้อย่างนี้มันก็ใจแคบไปแต่ถ้าเราทําฟ้างขึ้นไป ก็จะดีเอาแต่ว่าฟังได้แค่ไหนก็แล้วแต่นะพวกเราสามารถได้แค่ไหนเราก็ทําแค่นะั้นแต่ขอร้องว่าต่อ น, นี้ไปอย่าทําบุญตามเทศกาลอย่างเดียวต้องทําบุญแก้วิคิดการให้ได้ศาสนาพุทธถึงจะมีประโยชน์แล้วค่อยดูนะี่ยที่มาต ร, รียมเขียนไว้เล่มนี้พระประยอมเจอสิ่งมหัศจรรย์ในพุท ธ, ธศาสนาเล่มต่อไป ทำไมพระพยอมไม่ศึกไปสืบพันธุ์หวงไยแต่สืบศาสนาแต่แต่งแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องโอ้ยอ่านแล้วคงสนุกวางไม่ลงเดี๋ยวเขาจะเปิดบูร ท, ที่วัดสัปดา ห, หนังสือวัดส่วนแก้วไอ้มดขายช่างมันไม่เก็บค่าทีติดไฟติดน้ำให้มันไยที่เขาล่ออะไรไอ้ไอตัวอะไรนะั่นที่ทำํำผิดอ่ะเขาหอ ม, อมะแม่งดา่า วิธีล่อเขาทําไงบ้าเอาหลอดอีอ่อนเนี่ยนะไปติดให้มันเป็นสีม่วงแล้วสีอะไรนะแล้วมันจะบินมันเล่นแล้วมันก็ตกเขาก็กลับจับเก็บแต่เราไม่ได้ล่อเขาจับเขามาแกงมาทําน้ําพริกลอยเขามาวัดให้เขาเอาของดีๆมาขายมาจํำหน่ายโดยไม่เก็บค่าที่เขาก็ได้ลดราคาเมื่อคืนนี้ได้ยินอยู่ประโยคนึงชอบมากเลยท่านทั้งหลายที่มาเปิดบูธที่นี่ เราได้บอกให้เด็กชนบทบ้านออกทิกไม่มีหนังสือจะอ่านเขาขอรอ้องฮะให้เราเนี่ยลดในห้าสิบเปอร์เซ็นแต่เล่มนี้ขายร้อยบาทขอห้าสิบได้ไหมแล้วห้าสิบเนี่ยไอประธานคนจัดงานเนี่ยมันจะออกเองแล้วให้เด็กอภไยอ่านต่างจังหวัดอู้ดีก็เลยบอกคนไปขายว่าเดี๋ยวเรารวบรวมที่ของเรากี่เล่มกี่เล่มกันแล้วแต่เราบอกว่าอย่าห้าสิบเลยของเราขอสามสิบเปอร์เซ็นก็พอ บางทีให้ฟุีก็หายไม่ได้ก็หายไปแม้เมื่อคืนนี้สนุกจังเลยไอ้ตีหลุดมาคํานึกว่ามันนี่ทําไมมันไขาของก็ไม่ออกตอนแรกอะไรสามพัน้าสองมาก็เลยเอาหนังสือวางวางวางวางวางฉลองถุงกลวยแข่พระกูชาติสวดมนต์อะไรอีกเล่มจำเนียนใจสิงโอ้โหเยอะแยะหมดแล้วก็หนังประวัติชีวิตพระประโยอมมาเลยไปกดไปดูข้างบนตากียังอยู่ในตังสี่ห้าหมื่นตัห้าพันหกพันอะไรเงี้ย โลเหลยพอโลไปตังตังหลุดปิ้งมาคำหนังสือซีดีก่อง น, นี้หยิบฟรีก็ได้ให้ทุนบ้างก็ดีโอ้โหมาหยิบกันใหญ่เลยพอมันไม่หยิบตอนแรกเราบอกหยิบฟรีก็ได้แต่พอมันหยิบปับ๊บให้บ้างก็ดี <c oughs> โอ้ ย, ยสนุกกลัวเลยเดีย๋ยวไปอีกและโยบไม่เท่านา น, นยังไม่ได้ไป ขออวยพรให้ทุกท่านออกพรรษาแล้วจงทํากิจปภาวณาเตือนกันและให้เตือนกันได้จงทํากิจการออกสแสวงหาบุญพระขออกขอให้ออกไปเพื่อความครูดเกาญาติโยมก็ะวรจะออกไปสแสวงหาบุญแบบชนิดที่ปลอดภัยไม่ใช่อดกระถินเมาไปทอดพระปา่าเมาไปลถฟั่มพิกตายพระปา่าเทกระจาพระปา่าเลือดกรถินเลือดอะไรเงี้ย กอใออกไปอย่างคนที่ฉลาดออกพรรษาอย่างฉลาดอย่าออกไปหาเวรหากรรมอย่าออกไปแสงหาทุกข์กันก็ขอให้พบแต่สิ่งดีงามในศาสนาติดตัวไปจากการเข้ามาทําบุญทําทานในบรรษาวันนี้ด้วยกันทุกข์กันทุกคนเถิด